พระธรรมเทศนาจากดอกปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณแปะคำผูกที่สิบสองตนฉบับเดิมจากเมืองเจียงตุงเรียบเรียงใหม่คัดเกลาสมนวนใหม่โดยป่ออินสมชัยชมพูรป ร, รียนทาภกปรยิยกนักทาเอกอดีตเจ้าคณะเจ้วัดเจียงไานะโม สาธาวโตอราห์โตสมมาสมุทธสตตราจามารนามโตโสมหนตสัมปตโตปุถิสัตตะระตังนิยาเตสีตี สาธาบดุราสาปุริตาตั้งลายตั้งยิงใจหนุ่มเทามีสัทธาเก้าเป็นพาทานแม่นมีการน้อยใหญ่ก่อละไว้เป็นเตือนย้อนไฟเอือตัางบุญอันจักหนุนจวยกำฮือหลวงลำเครื่องกา ป้ากันมาพร้อมนานังอยู่ท่าฟังทรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีว่าตะตาราชามาราณามุตโตดังนี้เป็นตนติดสืบสนตวยไปบัตนีเดเต ตาตาในกาละนันลาโอตาโอเป็นเจ้าผาปราปนมารณนาวยหมอดใดอยู่รอดนั้นไปยินมีใจจุมจื่นปีติตื่นยินดีว่ากันบ่มีเคยลาพระากาเรียวไว้มาจะใครก่าวจี้หือแจ้งทีปัญหา กูนีนาปนตายกูกวรทวายเมืองใหญ่เปืือตอบใจแต่นคุนเปืือฮือหมูขุนอามาตังไพรายิงใจรีปนหลไพน้อยได้อยู่จื่นจ้อยเจยบ้านเต้าใจฮานแต่ก่อนบัดนี่อ่อนย่อมยมอภิรมหักขอดยังเคยยอดสุดปลาย กันคานิ่งหมายเมียนไข่ก่อเฮคุณใหญ่เตรียมใจตีกองใจเป่าร้องไปไข่ห้องปาราวะือโยอธาอาบาดพระจาราดนิงใจบ่าวสาวลายมวลหมูไปซุ่มอยู่ล้านหลวงเล่นปันปวงต่างๆตามไฟอ้างไผมัน ทวนเจ็ดวันเป็นขา ด, าดยาฮือขาดคนได้เหต้าจอมไตยหยดเน่าผู้ขาดดาวหอจันทร์จักยกปันปงขาดยังภาษาศัพเรลืองตั้งเจ้าเมืองไพ่ฟาแก่เคยลาบุญนาฮือเป็นพาญานั่งแต้นเป็นลกักเกนแต้นตน เพืือหือรีปนออมาตั้งไ พ, พราตพระเจ้าพรหมนาผู้เท่านักผาเจ้าอาจารย์ได้สำราญจื่นยาวพับแผ่นดาวธานี เจ้าปุรีมวนหมูได้ผ้ามืสัญญาต่างสมนัติจื่นจ้อยตั้งใหญ่น้อยยิ่งใจแบนมีการลายหน่อยใหญ่ก่อสวะวางไว้จูอันอัน แลอกปะกันหลังลู่มาพร้อมอยู่ล้านลวงเล่นปันปวงต่างๆตามไฟอ่างไฟมันเสียงเนืองนั้นมีกองสนันนหงปา ร, ราตั้งพอจะนะหลายสิ่งลูกไม่ยิ่งหลายอันมีอนันต์ลายหลากตามใจหากจักกินเหตุพระภูมินทิราช ได้วางขาดปันหมายฮือแม่ขาาั้วลหลน้อยใหญ่ตกแต่งไวนานำยกมาตั้มย้ายหยาดบอ่อขาดยำได้คนภายในหมากเต้าไปนอกเข้ามาจูเปืือพอดูมวนเล่นบ่ได้เวนยำได้เสียงกองใจเปียปปาตัง้งรานาดโมรี ดูญาญนนทีหลายสิ่งมีพร้อมยิงจูอันอันกันเจ็ดวันมารอเต่าเจ้าหยอดปา ร, รา <c oughs> ตั้งคุณต่างตาผู้เท่าอามาดกะโอแก่เมืองโยทาเรืองน้อยใหญ่ตั้งไผ่ไตนิ่งใจมีหลวงลายมวลหมู อันมาพร้อมอยู่นำนากออุตสาพิเศษอาติเรกทุนควันยกนอคุณทันหนุ่มเน่าฮือเป็นเจ้าภา ป, ป ร, ราโยกรา จ, จติดาดองซ้อยฮือเป็นกูหอยมหสีตามปาเวนีแต่ก่อนบ่หือพันซักอัน แลอกป้ากันแวดเฝ้าแห่นแห่เจ้าบุญนากระปรักจ่าน้อยนาดขึ้นสู่ภาษาถ่อำอันวิสุก ร, รมบุญใหญ่เนระมิดไว้เดิ ม, มาแล้วนะ โพธิสัตว์อันว่าโพธิ่สั์เจ้าตนบุญกว้างได้เป็นเจ้าจ้างผาพเพียงใจก่อข่านิ่งในกึตรอดถึงเท่าหยอดกะหะบอดีอันผาดีคำเจ้าเลี้ยงยังเจ้าเดิมมาจริงือเสนาอามาดจากผ า, าสาใ่สีไปนำกะหะบอดีผู้เท่า กับแม่แป๊เจ้าเดิมมามารุมราเลี้ยงไววบอกืฮ่ได้มองผ่านเฮอสำรานคำเจ้ามีคนอยู่เฝ้าเอาใจ <c oughs> ทัดนันไปบอจ่าตนเจ้าฝ้าขุนทันก็ตกรางวัลหลยแหล่ยืนปั่นแก่นิ่งใจมีหลวงหลนุมเทา อันกำ่วยเจ้าเดิมอ่อนปางเจ้าจอนก็ภากออกไปจากเพียงใจกับสีนองไว้หยอดซอยไปแปงตูบน้อยมุงคาปลูกพักนาดาเลี้ยงใสเข้ามาช่วยใจกระตำการฮือสุขบ้านพร้อมไข่บ่อเว้นไว้เฮือนใด สังสวยไรายนาไรการน่ใหญ่กคาเกตกวางเวนปงขาดอนุญาตอยู่ภาการก็มีฮันแล่นะอนาเทกาตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งใส่นางนอไทยมหสีก็ไขว่าตีทาเล่าว่าคาแดเจ้าบุญนา อันว่าขาปแปลคำนั่นโสดบ่อผายโนยสังจติปีป้่อยรักษาเบียดไว้บ่อเฮือได้เล่งหันขอไขปันเกาวจี้เฮือแจงทีตามมี่อมูนียอดซอยจริงเกาวทอยไข่กัว่ามีคุนนำมากกว่างบ่ออาจอ้างจากไข่ พิได้อาศัยก่อเกิดเอากำเนิดภายในอันหนึ่งขาดแป้คำใส่นั่นโสดมีภายุดเหลือลายกันกานิ่งหม ย, ยไข่ใดยัง <c oughs> ของเคือ้องใจได้ได้คือเงินคำใส่การิ่งสับปะสิ่งอลังการกันอาทิฐานเมีนยนไข่ย่อมจกเอาได้จูอันอัน สลิสุพัน์อ่อนน้อยบ่อเสียงซ้อยสงสัยจริงจะใครบอกเราว่าขอปี่เจ้าผู้บานอาธิตฐานหือพอได้แจ้งต่อสายตาว่ากำปี่จากเก่าแก่มีเตียงแต่ซัดจังหรือเต้าหวังเก่าเล่น บอกม่นเส้นกองทมเจ้ า, าหอ่อคำบุนกวางก็เกาอ้างจะถามว่าดุราสรีขิงงามหนองไทยนางขาไขใดอันใดจุงจะไครเกาวจี้บอกคือปี่บัดเดียวนางชมชะเเลียวตอบทอยว่าข้าหม่อนน้อยนางยิง กุดขานิ่งขไข่ใดยังแก้วกาใหญ่แปลงเมืองรัศมีเรืองใสส่องแจง้งไข่หองพังกาหนอพุท ธ, ธาตนองอาจก็เกิดขวาดาธิทานจกเอาแกวเจียงขานกาใหญ่ออกมาใดสับปันนางได้หันแจ้งที่สุดเสียงตีสงสัย ซ้ำไครกำไปแถมเล่าว่าขอปีเจ้าอธิษฐานเอาอลังการเขื่องง่าตั้งแผ่นพาขัวใบเงินคำใสอ่านหมื่นเพื่อเอาเยินยอปันแกนางกำนั้นน้อยใหญ่เสียงไขว่จูคนคนหนอตาสะปนหยดยาวฟังดังเก่าทุนสา ก็จกออกมาจู่สิ่งย่อมการยิ่งจู่อันอันวางกองกันไลยแลเต็มจูแง่หอในนางมีใจจมจื่นปีตีตื่นนำนา ก็เรียกนางกันญามวลหมูม่มาพร้อมอยู่จอมกันแลว้วยกยืนปัน่นเสีงยงควาบอ่อเว้นไว้คนใดจุ้มนั่งในใหญ่น้อยต่างจื่อจอยยินดีอันจูลีกรมเกา่าต่างยอคุณเจ้าจูคนค น, คนกาะมีหัน่นแลยนะ กิตติสัตวตอภุคกะโตอันว่าำหรือซาจะเล่าว่าเต้าเจ้าบุญนำมีข่าบแปะคำผะเสดมีกุณเลิดเลือหลเ้นใจใหมายใครใดยังคงเครื่องใจใดใดย่อมสมใจกูเชื่อตามไฟเอื้อจูพักกรน ย่อมเจียงคานจูสิ่งมีการยิงนำนาจกออกมาลืมเล่ามีเหมือนเก่าเดิมอ่อนบ่อรูทอนกาขาดบ่อรูขาดบ้างตาคนอาณาทานอยากไรบ่บีเรื่องใจขวใบตั้งปัจใจเขานำขาดเสียงซ้ำแลง่ายกันไปทวาไหวกมเก่า บอกเจ้าเจ้าตามมีเจ้าปุรินยศยศย่อมภายโผดย่อปันตามเขามันใครใดบอกเวนไว้คนใดกำลือไปต่างดาวถึงเขตดาวนาคนอนาถาต่างเตตบอกว่าอยู่เขตเมืองใดตั้งตีไกและไกกันหูไข่ขี้า ปากันมากมเก่าขอปึงบุญเจ้าตั้งวันก็มีหันแลยนะที่นี่จากวันนานาจะเล่าถึงปีเก้าหกคนอันสามีกาตนมวยมางกางแม่กวางวังทานทารุงตุกผ่านเอาไหม ดังเก่าไว้ไปลายหลังอัธยังไปแจ้งพระจิงแสงเตสานาวะตาภาคินโยบิปปโยกาดังนี้เป็นต้น พีเก้าเวดุราพิกโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยญาติบอละขาดภาวนาส่วนราชจธจิดาหน่อเนาผู้พี่เก้าหกคนสามีกาตนมวยมางเป็นสะไปห่างเมืองไกลกันใส่ใจน้องลาอันตนแจ้งดาเดิมมาบัดนี้นาหยดเยาา เป็นเตบีเต้าผาปุรีกัญญามีมากเต้าวังแดวดเฝ้าเอาใจตั้งคนไหนไผ่ไตหักนางไข่ธานีหกนารีผู้ปีใจบอกี่เจอย้านโศกมองผ่านไม่มาดบอกขาดวันคืนนั่งนอนยืนเตียวย่างตุกบอกห่างเสียตน ตั้งหกคนพี่น้องจริงเข้าสู่ห้องปิกษาว่าจุ้มเราราเป็นพี่ใจบอกี่สมือกันเหตุผัวจอมควันแหนบพงังได้หวยมั่งมาราณาละเราราเป็นไม้ืฮร้อนร้ายมองผ่านย้อนนางมาน้องลายยศนำนาเรารา เจ้าปาราจูโูย่อมจอบสูปเป่เพิ่อใจเนี่ยสันได้นั่นใสเราจริงจักได้สัตสาดีหกนารีปีน้องต่างตอบทอง ป, <c oughs> ปึกษาว่ากวนเราราส่งข่าวไปถึงเต้าบุญเรื่องตั้งหกเมืองดันเล่า อ, อันเป็นป่อผัวเก่าเรารา ใครขี้ยาเกาจี้หือแจงทีตามมีหกเจ้าปุรีนั่นใสหากกดไม่เลือลาหล ย, ย้อนลูกตนตายมวยมังกางแม่กวางวังท่านขอหกผู้บ้านเต้าไทยยกไผ่ไตโยธาหอมกันมารบภาพเกินขานาบเมืองเรา แล้วหยับเอาเคยลาไปคำคารวีก็ไมหสีน้องซ้อยเฮกาดก้อยมารนาจุมเรารามวลหมูเตียงได้อยู่สดสดีหกนารีผู้ปีใจกำกี้สามานกอดลักเต็มสานดวนหาวไปถึงเต้าหกเมืองว่าคาแดพระบุญเรืองยศใหญ่ ข้าสะไปเดิมออนขอก่อกต่างเกาบอกปอเต้าเจ้าตามรายอันว่าใจเคยละใจอยาบ้จตารุนเยี่ยฮือตนลูกเต้าแห่งปอเจ้าผู้ทรนได้เมื่อมอนมวยมาง ก, กางแม่กว้างวังใสข้าตกใจหลายแลบ่เว้นแว่ขึ้นวัน วัดนี้ตัวมันนั้นเล่าได้เป็นเจ้าพาปาราอยู่ผางกาภาษาเจ็ดจันอาเตีองไรรัฐสมีใสสองตองไปไข่หองปาราดูงามตาลำหมอกบอจ้างบอไครปันคนเรือง น, นั้นอดเอ้าไปแวดเฝ้าเล่งแยง เจ้าถึงแรงเป็นขนาดบ่อหูขาดวันใดตั้งขนไก่และไก่ผ่องมาจะใจหลหุ่นย้อนเมาวนบ่อไก่บ่อหูได้ยมแยงเสาเป็นคำแดงเสียงไข่พาดับใส่ลวงลายแก้วแสงย้ายลายหลากย่อมกามากลายสี รัสสีวะวาปอสาราสายตาแก้วลูกหนึ่งนั้นนาก้าใหญ่เอาออกได้มาขายกินถึงตายมวยหมอดยังเหลือรอดถึงลาน แ h มพา ก, การหนึ่งเล่าตนแห่งเจ้าปุรีมีขับแปดีผาเสิดมีกุลเลิดเลือดลายแม่นใจใหม่ไฟหอยยังของใหญ่น้อยใดใด เกือกว่าใบแผ่นผ้าตั้งเคลื่องงาอาลังการเงินคำค้านกาใหญ่ย่อมจกเอาได้ดังหมยจกออกลายพอมพัมบ่อหูเสียงซ้ำบางตามันจกออกมาพายแผยยืนปั่นแกนิ่งใจผู้ค้านิ่งหมายใครใดบ่อเว้นไว้คนใดคนเข็นใจอยากไร ตั้งตีไก่และไก่ป้ากันไล่มาเฝ้าขอตานเหล่าตั้งวันขอเจ้าห่อจันต้นป่อคานิ้งต่อเหย้าไก่กันมีใจใครได้ยังภาสัตย์ใหญ่คำแดงตั้งแก้วแสงลายหลากย่อมกามากนำนาตั้งขาแปะคำขาผาเสด มีกุณเลิดเจียง้านจุงยกรีปนหานหาเท้าไปภาพดาวเวียงใจเตียงสมใจไฟอ้างบ่อวิดว่างดีลีเหตเจ้าปุรีเคยลาเชื่อตำจ้าสามารถบ่อจา น, าน้นจบจอดบ่อหูรอดสับปะสิบปา บ่มีเตเจ้าองอาจย่อมจักความขาดบำไวยสวนรีปนลหลม่วนหมูบ่เคยผับสู่สงครามเข้าสนามสะตานย่อมป่ายกานบ่สังกาหกธีดาผู้ปีใจกำกี้สามานกันแต้มสารเสียงไข ก็คือคนแก่นใจเตรียมใจรีบนำสาลไปรีพาวท้าวายแก่เต้าหกเมืองก็มีฮัน่นแลยนะเตราจาโนส่วนหกพาญาต่างดาวหูแจ้งข่าวลายสาลหาเต้าผู้บานต่างห้องขึ้นสั้นส่องตามธรรม ว่าเข้าของเงินคำกาใหญ่เรามีบราทธมนาสืบติดมาบ่อผ่อนแต่ปูมอนโบราณอลังการการยิงสับ ป, ปะสิงขวแปง แก้วและแสงน้อยใหญ่เรามีร้อมไข่เดือลายเราบ่หมายใครใดยังเงินบาไตคำแดงตั้งแก้วแสงกามากอันพิจารกองทรรมกัวเป็นกรรมบาปายต้วตอบายต่อจนฮือตารน้นร้อนไมถึงภัยใตย้โยธาโลภะ ตัณหานั้นเล่าหากเป็นเกา้าปาวายลูกเราตายมวยมาง ก, กางแม่กวางวังใสย่ย้อนมีใจโคตรกาไขรหื้อเคยลามาราณนาะบุญตนะัณหาลายหลาก บุญตัวหากบางเบาเบาโหยังเงาตัวเก่าแม่นเป็นลูกเจ้าพาปุรีกันเยี่ยบ่ดีถอยไรเตียนย่อมได้มองผ่าน <c oughs> ป้าวงวานปู่ป้าเือเผิดหน้าไอ้คนปั้นดังตนเคยลาได้เป็นเจ้าฟ้าพ า, พาปาราบีพังกาภาสาต เจ็ดจันอาไรเรื่องเป็นคำเดืองพองแผ้วพาดับด้วยแก้วและแสงเป็นของแป้งกามากหากเกิดจากสมปานตานสร้างมานานบ่กขาดหลายร้อยจาาตัวมาขาบแป้งคำขาดนั้นเล่าเป็นของขินเจ้าดีลีย้อนปาระมีแต่ไทย จิงเกิดได้มีมาเราบ่อผาธานามักไฟจักยกไัยไตรีปนไปพระจนรบภาพเก้นขานาจิงเอาผิษปินเต้าแบบเบาจารีดเก่าเดิมมาจุมโยธาไัยน้อยเตียงใดกาดก้อยมั่วาย คนญิงใจไผ่ไตเตียงร่อนไหมมองเงาย่อนตัวเรานี่เล่าหากเป็นเก้าปวีคงปุรีจุบอลย่อมจักคอนเป็นไฟ ปูร่านไข่บอกเล่าว่าข้าเจ้าเอาของบ่อใจกองแห่งเต้าผู้ผับดาวปาราฮาผาญาเจ้าจ้างผาพเมืองกว้างแดนไก่ต่างค้าดิ่งในสั้นสองตัวตามจ้องกองทำจริงบ่อตัวตามกำบอกเล่าอันสะไปเก่าไขปัน ต่างปะกันดักอยู่เหตุบอ่อจอบสูเปิ่งใจก็มีหินแหละนาะมาหินที่ก่อปานักราชาส่วนพญ า, าเจ้าจ้างภาพเมืองกว้างตักกสีลาชื่อพญ า, ามหิททิราช เาอ้ยเฮาหาดทึกฐานได้นินสารบอกเล่าอันสะไปเก่าไรปันลวดมีใจวันไขได้ยังผ่าสาต์ใหญ่คำแดงตั้งแก้วและแสงหลายสิ่งอันกาญงนานำตั้งขาบแปะคำบิเศษเอามาไวเขตเมืองตนเปือือย้นโลกไตลือเลาไวเมื่อ น, นาน เจ้าใจหายยดใหญ่คันิงไวสุดปลายก็เรียกรีปลนลหลสี่หมูบาพร้อมอยู่เรียวไว้กันยามใจมารอาเจ้ายอดปารา ก็ยกโยธามวนมากออกไปจากเพียงใจลัดดงไพรป่าไม้นับอ่านได้หลายวันจริงป้ากันไปรอดเมืองแกหยอดปันธุมติปุรีอัน่อมูนีนมเนาเป็นเต้าเจ้าทารงเมืองก็ฮือโยธาเรื่องมวนหมูแวดล้อมอยู่จู้ายก็มีฮันแล้นะ นากระวาสิโนส่วนคนตั้งลายมวลหมูกาอันอยู่ภายในหันสักแดนไก่ต่างไทยแหวเมืองว้ยจูปายต่างกวัวาตหามุบหมูเล่นสะสูสสนโกละหุนอยากยาวเกิดไข่าดาวธานีพ้องไขาวาตีทามู ว่าจากไปนี่อยู่แดนใดพ่องเล่นไปตั้งนาแล้วเล่นกว่าขึ้นมาพ่องเรียกหาหลูกเตาเสียงอดเอาเนื้องน้น <c oughs> พ่องเร็วปั้นเมียดไว้ยังเคื่องใจกัวแป้งแก้วและแสงใสสายซอยแวนใส่ก้อยทา ม, มารงายัดใสุ่งอันใหญ่ สปายไว้รอราเปื่อไก่กาจอมหมูไปลี่อยู่แดนไกลพ้องจะไขต่อถ้อยว่าตั้งแต่น้อยเด็กขาถึงจระราแก่เท่าลายเจนเจ้าผู้บ้านเสือบมานานบน่ผ่นแต่ปูมอนปิตาไัยบ่อกเคยจา่าไว้ ว่ามีสักใหญ่เมืองไก่อันมีใจฮึกหยาบมารบพาพระวีปันเจ้าปุรีต้นไม่เป็นเต้าไทยผู้บาน <c oughs> บ่อปอนานสักยหยาสักเฮาหาดมีมาเจ้าปาราน้อยใหญ่ต่างเอาไม่เรร้นต่างกังบนแกนกัง ใจบ่ตั้งเววายามนั่นคุณต่างตาหนุ่มเท่าตั้งคุณเก่าแก่เมืองโยอท่าเรื่องน้อยใหญ่หูแจ้งไขขีญยาต่างไก่การฤพาวขึ้นสู่ดาวหอกคำย่อมือตั้มต่างเก่าบอกเต้าเจ้าบุญนา แล้วเรียกโยธามวนหมู่มาพร้อมอยู่บัดเนี้วก็มีวันนั้นและนะนิด ท, ที่ตั้งขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุสุวรรณะแฟ่คำผูกสิบสองกอบังกมสมร็จเสร็จแล้วตอานี้ก่อนและ